สังขารเนี่ยมันแปรปรวนไปหมดนะสังขารสังขารเราสังขารท่านเนี <c oughs> ย่ยนั่งเนี้ยพลิกพลิกไม่ถูกถ้าไม่ถูกจยกหว่านเนี่ขามันจังจังรุนแรงนะไม่ใช่จังธรรมดานะบางทีต้องได้ลุกยืนถึงจะมันถึงจะหาย ขยับผิดท่าเท่านั้นแหละจังขาจังโอ้ยหลอดไฟก็ไม่เก็บเนาะหอ <c oughs> ลอดไฟที่ปิดทองอะนะไม่เก็บ <c oughs> สังขารดูเถอสังขาร มันทำงานทุกเวลาทุกระยะทุกเวลามันไม่เคยหยุดคงที่อยู่กับที่เลยนะสังขารคนเนี่ยดูเห็นง่ายสังขารมา้เอออะไรเอยอย า, าดูยากกับง่ายเหมือนกันนะดูสังขารไหนลังคากุติวัดเราดูเถอะผุไปหมดแล้วเดยอนนี้ ซ่อมก็ไม่จบซ่อมยังไม่หมดงานปอกแป๊กปอกปกไม่หมดหมดไม่เป็นวัดเราไดปยี่สิบปีแล้วสร้างก็ยังไม่เสร็จซ่อมก็ยังไม่เสร็ จ, ม, ม, รจมันยังจะต้องทำอีกอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นโมใครไม่ประมาท เอาใจใส่ความภาคความเพียรก็ตั้งใจทําได้วงที่เสียสละมาช่วยธุระปะปังบ้างกับให้ตั้งใจนะอย่าทําให้มันได้โทษอย่าทําให้มันเกิดโทษดูให้ออกดูให้สุลุกทําการทํางานทํำอะไรดูให้ฉุกลุกดูให้ออกไม่ใช่ศัพทว่าอยากทําแล้วก็ไปทํา ดูแลไม่มีเหตุผลเป็นของตัวเองต้องมีเหตุผลของตัวเองทําเพื่อฝึกฝนตัวเองทําเพื่อฝึกฝนตัวเองทําเพื่อฝึกสติสติของตัวเองเพื่อฝึกความเข้าใจจากหยาบเข้าไปละเอียดถึงจิตข้างในดูให้ออกดูให้ฉลุกงานการอะไรทุกอย่าง เหมือนกันงานคอวัดปัดกว่าเช็ดถูดูแลรักษาความสะอาดต้องดูให้ต่อเนื่องนะอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอย่ามักง่ายนะงานคอวัดงานความสะอาดเนี่อย่าขี้เกียจอย่ามักง่ายงานอะไรก็ตามงานหยาบหยาบเราทําเพื่อฝึก ฝึกจิตของเราฝึกสติให้แน่นหนามันคงกำ ก, กับกับการภาวนาทำใจสงบถึงแม้จะเป็นงานหยาบก็ตามถ้าใจเราเริ่มมีหลักมีสติดีมีสมาธิดีงานหยาบก็จะกลายเป็นงานละเอียด บ้านคืนลงไปให้เสียดายเวลานะยาวเวลาไปทิ้งนะมีท ร, ประปักปังอะไรให้ช่วยหมู่โดยเฉพาะยังยิ่งขอบวัดเนี่ยขอบวัดต้องช่วยดูแลกันบางคนแบกหามก็แบกหามจะเป็นจะตายบางคนสบายสบายจะเนจะตายอีกเหมือนกันเลยอย่าให้เป็นนะี่ยนเอาเป็นว่าประโยชน์ใครประโยชน์เราก็แล้วกัน ใครเห็นอัตรประโยชน์ทำให้เรยวแรงของตัวเองก็ตั้งใจทำปัดกวาดเช็ดถูกวาวดส่วนรวมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลหมู่คณะดูแลหมู่เพื่อนด้วยหลวงพ่อเพิ่มมีอ า, ายุเขามากเลยนะอ่อนลงอ่อนลงทุกวัน ม, มีมีใครช่วยดูแลหลานช่วยดูแลเปล่าไม่รู้เนะี่ย เออรู้อยากบอกเขาให้เขาช่วยดูแลน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอะไรไปสงไปอะไรนี่นี่นี่ก็ยังพอเดินได้ไปได้มาได้แต่ระวังล้มนะนี่สังขารมันอยู่คงที่ที่ไหนระยะนี้กันหนาวนะสิบสี่สิบห้าวันอุโบสถนี่ก็ทำกันตอนบ่ายก็แล้วกัน ไม่ต้องทำในเชา้ามันสวดลำบากเหลือเกินเราเคยเจอเองเราไม่ไหวดอกหนาเนี่ยหนาวสวดตอนชเช้าเไม่ไหวดอกมันบวชสวดันที่เท่าไหร่ที่20่สเอ็ดยิบเอ็ดละนี่ย 20, ยี่สิบยิเดเราก็ไม่อยู่อเองเดี๋ยวนี้มันไปพ่วงอีกจนถึงยีิบสองแล้นนะ ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเราพึ่งเขาเขาพึ่งเรา <c oughs> ในครัวก็เหลือน้อยเนี่ยมันไม่หนักเลยในครัวนะช่วยดูแลกันไม่หนักแล้วใครหนักยกมือ มีแตแล้วมีไม่หนักแค่ไม่หน่ต้องดูแลความเป็นระเบียบด้วยเรียบร้อยด้วยความสะอาดระยะนี้ใบไม้มันจะเริ่มลงแล้ะเดี๋ยวจะเกลกรังทำไปหมดต้องดูต้องช่วยดูแลกันเดี๋ยวก็ไฟป่ามาเล่นงานอีกแล้วนี่ไฟป่าเนี่ยใบไม้มันลง เราอยู่ป่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกตัวเองพึ่งตัวเองครูบาอาจารย์ท่านให้พึ่งตัวเองอยู่ป่าท่านให้รู้จักพึ่งตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้รู้ยังไงจะดีไอ้คำว่าจะดีจะดีอย่าทิ้งสินทิ้งธรรม อย่าทิ้งสินทิ้งธรรมทิ้งสติธรรมทิ้งปัญญาธรรมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าทิ้งภาวนาก็จับไม่มีทุระประปังอะไรให้เวลากับมันอย่างเดียวเลยเวลาทำข้อบัดเราก็ไม่ปล่อยเราก็เดิน ถ้าเราคิดถึงเรื่องประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชวนดูดดื่มในการนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยมานั่งเงี้ยมารวมกันมาอบรมอบรมจิตอบรมใจของเราของท่านเนี่ยมันมีกับจิตกระใจที่จะมานั่งที่จะมากําหนดจดจอที่จะมาพิจารณาเพิ่มผลรายได้กับตัวเองมันมีกระจิตกับใจนะ มันมีความอยากนะอยากได้อยากทำโอ้เข้าที่เลยเข้าที่เลยกำลัดพิจารณาสบายโล่เบาจิตมันสงบมันมให้มันวุ่นวายบางคนไปปล่อยเนื้อปล่อยด้วยจิตวุ่นวายจะเป็นโรคประสาทตายระวังให้ดีระวังให้ดีใครไม่ภาวนาเนี่ย ไปปล่อยใจล่องลอยแล้วก็ไม่ระวังอีกอันหนึ่งระวังนะชั้นกาแฟไม่เป็นเวลาเวลานี่ปิบประสาทเติมนะภาวนาก็ภาวนาดูนนั่นแหละไอ้ที่มันพ า, นพาคิดพาปรุงนั่นแหละดูตามต้อนดูนั่นแหละหัดดูหัดพิจารณาดู มันคิดกระดร lier, ูม้มันคิดมันปรุงก็รู้ว่ามันปรุงรู้ละเอียดลึกเข้าไปไปกกับอยู่กับไอ้รู wizard, ้ที่มันกำลังจะโผล่มาน่นะไปกกับอยู่ตรงนั้นเลยนะให้มันเงียบให้มันว่างให้มันโล่งอยู่ตรงนั้นนะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปกดตรงนั้นเลยนะมันจะโผล่มาตรงไหน เบาใจแชมชื่นเบิกบานจับอะไรก็ยากเหลือเกินเดี๋ยจับอันนี้ก็หลุดไปนู้นจับอันนั้นก็หลุดอันนี้จับอันนี้ก็ห ล, ลุดอันนน้ น, น, น, นเราก็ดูที่มันยากเพราะอะไรมันยากเพราะอะไรมันเดือดมันด่านเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยจับไม่ค่อยดัดไม่ได้ไม่ค่อยได้บำรุงไม่ค่อยได้รักษา ความเพียร น, นี่เราประรบสิ่งเดียวเนี่ยมันได้ทั้งสี่ข้อสี่อย่างเลยพุโทโธมีสติกำกับอย่างเดียวนี่ยสติสัมปชัญญะกำกับอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธผลของพุโทโธที่ล่วงไปแล้วมันก็สะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นนี่ภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมันไปด้วยกันนะกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด มันก็เกิดกุศลเก่าที่ตกพลึกไปแล้วก็เพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยเพิ่มเพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยเพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยเพิ่มพูเขาไปเรยเราถ้าเราไม่ดูอันนี้เป็นอุ ป, ปมาเนี่ยเราไม่รู้จักกะเกนินกับตัวเองนะวันคืนล่วงไปไม่รู้จะได้อะไรบางที่ไปง ง, งงนู้นงงนี้สับสนนู้นสับสนนี้อย่าไปสับสนเอาพุโทโธเนี่ยถูไถอยู่กับพุโทโธเนี่แหละสมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสสนาก็มันอยู่ในนั้น ทูไทยสมมตินอะทูไปไทยไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปทูไทยไปทุไทยไปสมมติฐตัวนี้แหละมันจะกลายเป็นวิปัสนาขึ้นมาได้กุโธกคืออะไรเราก็ดูไปที่จิตบางทีเรากํากลับด้วยลมลมก็คืออะไรคืออาการของกายก็ดูการเคลื่อนเคลื่อนไหวของมันการเกิดขึ้นของมันมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ไหมลมดูลมล ม, มันอยู่กับที่ได้ไหมมันไม่อยู่ ตั้งใจดูผู้ดูก็ให้สักเทวดาดูไอผู้หายใจเข้าหายใจออกสักเทว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เจตนาที่จะไปเขยับให้มันยาวขยับให้มันสั้นลองตั้งใจดูลองหายใจเข้าลองหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดูแล้วมันเราจะเห็นความไม่คงที่ของมันมีสังขารรู้จักไหมสังขารคงที่ไหม มันไม่คงที่ดูให้เห็นง่ายๆสังขารมันไม่คงที่หายใจเข้าหายใจออกมันก็ทำหน้าที่ของมันนะนี่คือหน้าที่ของสังขารหายใจเข้าหายใจออกถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาถ่ายอากาศเสียออกมาเอาอากาศดีเข้าไปเอาอากาศเสียออกมามันเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติอยู่ด้วยระบบอย่างนี้ เราไปดูระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องอะไรเหมือนกันหมดชีวิตชีวิตดินสี่ของเราก็ามีส่วนนี้เป็นส่วนประกอบลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นส่วนประกอบทัานว่ากายสังขารกายใช้สังขารส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกายกายสังขารแต่บางครั้งคาว่ากายสังขารนี่ท่านเอาไปกำกับเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการเข้าฌานละเอียดลึกเข้าไปจนกายสังขารเนี่ยสงบระนับไปดูในการกำหนดดูลมที่ฉันพูดเอาไว้ละเอียดเราดูให้จิตสงบก็ดูได้เวลามันขยับออกมาเราก็จอดูตรงนั้นแหละดูจนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป ตัวรูรูมันกดจึ๊กอยู่ตรงนั้นแหละนิ่งรูตื่นไม่มีอะไรเลยวิตกวิจารไม่มีความกล้าความกลัวไม่มี เราจะดูให้เกิดสมถะก็ได้เราจะดูให้เป็นวิปัสสนาก็ได้มันมีพื้นมีบาทมีฐานสุติมนกล้ามันเร็วมันขมมันแหลมมันดูเถอะเวลามันเป็นเวลามันทำสังเกตสังการดูให้ดีเถอะที่สำคัญคือไม่ทําดี ทำไปทำมาทำมาทำไปขี้เกียจจับก็ปล่อยล่องลอยนั่งปุงด้วยป่วยมาด้วยว่าจะนั่งทําความเพียรก็ไม่ใช่ถ้าเป็นการทําความเพียรเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้นของเก่ามันตกเป็นวิบากของเก่าของใหม่เนีมื่อเราเราทําทุกข์ริยสติเป็นผู้ทํากําหนดภาวนา พ, พุทโธพุทโธพุทโธ ต่อเนื่องพืชไม่มันขาดช่วงประคองพืชไม่มันขาดช่วงในขนาดเดียวกันตัวการสังวรเราเราก็ไม่ต้องไปสังวรไม่ไม่ต้องไปสมุนโรมไม่ให้กิเลสมันเกิดเพราะมันเกิดอยู่แล้วอสติสัมปชัญญะมันเกิดมันเกิดแทนที่กิเลสมันเกิดว่ากิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อมันมีน มันมีตัวสติสัมปชัญญะทำงานแทนที่อยู่แล้วตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้เราจะว่าสังวรกระช่ในขณะที่เราทำนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งสิ่งเดียวเป็นผู้ทำงานใจใจเป็นผู้ทางานสังวรไม่ให้บาปใหม่เกิดคือสังวรไม่ให้ตัณหาเกิด แต่เราสังวรนั่งอยู่นิ่งอยู่ก็นหมดจดจ่ออยู่แต่ถ้าจิตไม่มีพื้นมีฐานนัมันจ่ออยู่ไม่ได้นานจ่ออยู่ไม่ได้นานท่านจึงให้ทํางานให้ดําริอยู่ทุกขณะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธจนกว่ามันจะอิ่มแล้จะทิ้งพุโทโธมันก็จ่ออยู่นั่นแหะมันไม่อิ่มไม่โดดไม่ดิ้นไม่ไปไหนนี่ก็เท่ากับไม่ให้ตัณหาแสดงนี่คือสังวร สังวรสมรวมสงวรประธานสังวรประธานทีนี้พอมันละเอียดพอมันสงบมันละเอียดมันลึกเข้าไปแล้วประหารประธานกําหนดรู้กําหนดพิจา ร, รณากําหนดละกําหนดรู้กําหนดพิจารณากาหนดละหัดลองหัดทําดูกําหนดรู้มันเป็นยังไงกำหนดพิจารณามันเป็นยังไงกําหนดละมันเป็นยังไง เราจะต้องไปตั้งใจทํากําหนดรู้กำหนดพิจารณากําหนดละหรือหรือเพียงแต่จอ่อกิริยาทั้งสามนี่มันก็ตกไปหมดแต่ท่านพูดให้เราฟังเป็นขั้นเป็นตอนให้เราเข้าใจง่ายเหมือนอย่างตันไลน์ในหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละไล่์ไลนลนไลน์ไปจนถึงสายตัณหาใหม่มันเกิด ปัญหาใหม่มันเกิดแล้วมีเวทนาเวทนามันเกิดก็เพราะว่าความสัมผัสรูปธรรมสัมผัสนามธรรมผู้รู้ผู้รู้สัมผัสอาการของผู้รู้สัมผัสเวทนาดูเถอะผู้รู้สัมผัสอาการของผู้รู้หรือสัมผัสได้ไหมเราดูเถอเวทนาเราสัมผัสลงย้อนไปสัมผัสดู นี่แหละที่พูตานเขาไม่เข้าใจเขาถามเราเอ๊อะนะผู้รู้กับเวทนาแยกได้หรือเขาบอแยกได้เลยเขาบอกว่าผู้รู้กับเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันแล้วผู้รู้กับเวทนานี้แยกกันได้หรือก็เพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันนั่นแหละมันถึงแยกได้อืพูดเฉยๆพูดเท่าไหร่เขาไม่เห็นไม่เข้าใจ ถ้าไม่นั่งตั้งใจทําตั้งใจทําแล้วจะเห็นมันจะมีผลปรากฏ ต, ตอนนั้นเอาความรู้ที่ละเอียดนั่นแหละละไอ้ที่มันหยับหยานั่นเอากิริยาใหม่ๆนี่แหละละกิริยาเก่าๆกิริยาที่ละเอียดละเอียดละกิริยาที่หยับหยามันพูดยาก ดูจาดูไปที่ใจของเราฉะเข้าไปล้างเข้าไปขัดเข้าไปมันเป็นเลยมันก็เป็นการละกําหนดรู้กําหมดพิจารณากันหมดละเนี่ยเริ่มแรกเราก็สมมติถ้าพอมาถึงขั้นนี้มันก็เป็นวิปัสสนาก็หัดทําเข้าไปสะสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปเพื่อความแข็งแกร่งของสติของสามัญจัญญาของเรา ไม่ป <departed. |mt|> ลุกบ่อยไม่ตื่นนะไม่ปลุกบ่อยไม่ทันไม่ปลุกบ่อยไม่เพิ่มพูนไม่เพิ่มพูนสติไม่เพิ่มพูนสัมภชัญญาไม่เพิ่มพูนความเพียรไม่เพิ่มพูนความเพียรไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องสัมภชัญญาไม่ต่อเนื่องความเพียรไม่ต่อเนื่องการประคับประคองไม่ต่อเนื่องผลงานขัดขาด ด่วนไม่ไปหน้ามาหลังอาศัยฉันทักความพอใจใส่เข้าไปสร้างความพอใจกับตัวเองดูให้ดูให้สุดเอาความทตามอกตามใจอยากได้อยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นใส่เข้าไปตั้งความอุตสาห์พยายามใส่เข้าไปอุตสาห์พยายามใส่เข้าไป ต้องพยายามสักขนาดไหนสักเท่าไหร่ต้องลงทุนลงแรงสักเท่าไหร่กำหนดถามถามดูตัวเองแล้วเราเราหนาหรือเราบางเราเมื่ตึ๊บหรือเราพอจะลางๆพอจะสว่างอยู่บ้าง mm. ตั้งเข้าไปมันหากตอบตัวเองได้เรารู้ว่าเราตื่นง่ายตื่นยากขนาดไหน เราสว่างง่ายสว่างยากขนาดไหนเราหนาปุ๊กหรือเบาเบาบางเราดูดูจุลินี่แสของตัวเองตั้งความภาคความเพียรให้ต่อเนื่องมันจะมันจะตื่นมันจะบางมันจะอะไรเท่าไรก็ช่างมันแหละไม่ปล่อยงานอ่ะไม่ปล่อยงาน จะยากจะง่ายเท่าไหร่ไม่คำหนึ่งอ่ะรู้แก่ใจอ่ะไม่ปล่อยงาน่ะง่ายจับเข้าไปยากจับเข้าไปคนที่เขาง่ายอยู่แล้วเท่ากับเขาวิ่งโป๊ะโปอ่าไอคนที่ยากอยู่แล้วเออมันก็ยังพอขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยไอคนที่ขยับไอคนที่เขาง่ายเนี่ยกัความเพียรใส่เข้าไปเท่ากับเขาวิ่งเอา ค่อยๆเดินค่อยๆคลานเดินอย่างเร็วเดินแบบวิ่งวิ่งมาเนี่ยเดินแบบวิ่งเอาเนี่ยมันาจะถึงเร็วกว่ามันสำคัญความพยายามนี่แหละพวกเราหย่อนยานความพยายามถ้าเรา พยายามจับตรงนี้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันได้วันคืนล่งนนวลงไปมันได้วันคืนล่วงไปมันได้เพื่อทำธุ ร, ประปังอะไรอย่างอื่นมันหาได้ข้อคิดอยู่นั่นแหละมันจอมันสงบอยู่นั่นแหละทำเพื่อเพิ่มพูนความสงบทำเพื่อเพิ่มสติสัมปชัญญะอุบ า, ายานสายวัดป่าเราท่านจึงให้ทำเป็นอาจินตกรรมทุกอิรยาบทยืนเดินนั่งนอน ทำธระประปังหรืออยู่ในท่าทีอิริยาบถนั่งภาวนาหรืออยู่ในท่าทีอิริยาบถเดินจงกรมกำหนดจดจ่อพิจารณาหรือทําข้อวัดนั้นทําข้อวัดนี้ก็เอาอนันนี้ไปประกอบเพื่องานการของเราในก้าวหนะ้าไม่ปล่อยไม่ละไม่วางไม่ทิ้งมันไม่มีใครทําโอกาสให้ก เ, เราดอกถ้าเราไม่ทําถึงหมดอย่างเราปล่อย ผมเนี่ยปล่อยให้ทอปล่อยให้โอกาสเนี่ยนะเจ้าของเอาไปทิ้งเอาเวลาไปทิ้งเอาโอกาสไปทิ้งแล้วมันก็จะได้อะไรเจ้าของต้องทําโอกาสเราเองอย่าลืมว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยโอกาสมันก็จะล่วงไปล่วงไปล่งไปอายุไขก็ล่วงไปล่วงไปลวงไปวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปล่งไปความพร้อมความสมบูรณ์ของอัตภาพร่างกาย มันก็เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปกันดูที่สังขารขยับไปขยับไปขยับได้ขยับได้ไดนักหน้ขาข ม, มันก็ขยับไม่ได้เคยสะดวกสบายกับยืนกับเดินกับนั่งสัหน่อยหนึ่งมันก็ยืนก็ไม่สะดวกเดินก็ไม่สะดวกนั่งก็ไม่สะดวกกิริยาการอย่างอื่นมันก็แปรปรวนไปหมดร่างกายมันแปรปรวนไปหมด พอถึงตอนนั้นเราจะมาทําอะไรได้มันก็วลไปหมดคล้วังเจ็บกังวัลป่วยกังวลอะไรหนักหนักเข้าจะเอาตัวรอดแค่ว่าเอาให้หายเอาให้หายป่วยเอาให้หายป่วยมันไม่ได้คำนึงว่าจะได้อะไรขึ้นมาคือมันเอาไม่ได้มันฝืนไม่ได้แต่เราสังสมสะสมหามันแก่กล้าพอถึงตอนนั้นเราก็แก่กล้าแล้วเราตั้งตัวเราได้แล้ว ยิ่ดูยิ่งสนุกดูยิ่งพิจารณาต่อก็ไปเลยดูให้เห็นเป็นอื่นไปดูให้เห็นเป็นอื่นไปให้เห็นเป็นอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสักไล่กันอยู่ตรงนี้หลยซักไซน์ไล่กันอยู่ตรงนี้หละเราอะไรเราอะไรของของเราอะไรเราอะไรของของเราอืกห น, df, หนอยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอ เคลื่มเพลือเผลอเดี๋ยวกปั๊บเข้ามาแล้วนั่นเราของของเราโผล่มาแล้วเราของของเราโผล่มาแล้วเจ้าของมันมโผล่มาเจ้าของมันความอยากอยากอะไรอมันเจ็บอดอยัดอัดปวดปวดตรงนั้นปวดตรนี้มันอยากอยาพลิกอยากเปลี่ยนอยากไม่เจ็บอยากสะดวกสบาย ร้อนมากเกินไปก็อยากพอดีพอดีเย็นมากเกินไปก็อยากพอดีพอดีอืนั่งกดทับข้างไใรข้างหนึ่งนานเกินไปก็ไม่พอดีก็ปวดก็พอดีก็อยากพอดีพอดีอยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากสารพัดถ้าเราไม่ทนะําน่ยมันค่อยๆแส่เข้ามาสมักหนึ่งเราแพ้มันนะเดี๋ยวก็พลิกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้ว ทำจนได้ทำจนเป็นทำจนมีสะสมก็ไปเรื่อยได้ทำธุระปะปังก็ไม่ปล่อยสติสัมปชัญญะให้อยู่แต่กับเรื่องเดียวไม่ปล่อยให้มันเอาความนึกคิดของเราไปนึกคิดประสิทธิประโยชน์นึกคิดทิ้งเฉยเฉยไม่ได้ประโยชน์อะไรนึกคิดเลยเปลือยล่องลอยไปไมาแด่ไล ให้ตั้งเจตนาคิดพุทโธพุทโธตั้งเจตจำนงมาที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธเราจิตเราละเอียดขึ้นมาแล้วมัน้าไปอย่างหนึ่งจิตของเรายังไม่ละเอียดพอเราตั้งใจแบบนี้มันก็เป็นอีอย่างหนึ่ง ทำไมอะไรก็พูดโธอะไรก็พูดโธมันแย่ว่ามันเท่ากันนะไอ้ผู้ที่สั่งสมมาแล้วเนี่ยพูดโธกับไอ้ผู้ที่เริ่มสั่งสมพุดโทรไอ้ผู้ที่เขาตั้งตัวได้แล้วเขาเขาพุดโทกับไอ้ผู้ที่ตั้งตัวยังไม่ได้พุดโทรย่ว่ามันเท่ากันนะความละเอียดของใจมันไม่เท่ากันนะแล้วดูเข้าไปสิ ยังงั้นฟังเทศพุทธเจ้ากันเดียวกันอ่ะคนหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยแต่เริ่มใส่ศรัทธายุอัศจรรย์ละเอียดประณีตอัศจรรย์เหลือเกินคําเทศคําสอนของท่านเริ่มใส่ศรัทธาบางคนได้เป็นพระโสุดาบันอ่าจิตเข้าถึงงละบางคนได้สุกิทาคาบางคนได้พระอนาคาทิ้งหมดทิ้งร่างกายหมดน่ะ ทิ้งร่างกายหมดอ น, นัาคขาเนยทิ้งร่างกายหมดบางคนได้พระอาหารหันต์ใช้ไหมรุดหมดไปเลยรูปธรรมนามธรรมทิ้งหมดรุดหมดฟังทำกันเดียวกันแหละทำไมเขาทิ้งได้ไม่เท่ากันว่าพุโทโธเหมือนกันเนี่ย แต่ว่าไอ้ความก้าวหน้าของมันเองมันจะไม่เท่ากันนะเอาเป็นของใครของเรากแล้วกันแหละใครใครง่ายใครยากใครอะไรยังไงใครสะสมมามากมาน้อยอลไรให้เป็นถนัดของใครของเราแหละต่างคนต่างตั้งใจจุดจอดเต็มร้อยผลของใครของเราของท่านก็ขยับของท่านไปเราก็ขยับของเราไปข้อสำคัญอย่าประมาท ขี้เกียจขี้คลานขี้เกียจในจิตนะขี้เกียจในใจขนะี้เกียจยกสู่อารมณ์เพื่อความสงบขี้เกียจยกจิตสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพิจารณากองสังขารขี้เกียจมันไม่เห็นผลเห็นอันนี้สองมันขี้เกียจมือนง ง, งเหงาหานอนนิ่วอนครอบ ง, งำทาไงทรัพยเปลี่ยน เปลี่ยนยืนเปลี่ยนเดินเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนการพิจารณาเปลี่ยนจากนึกคิดมากมากมาจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเปลี่ยนจากจ่ออยู่กับอารมณ์อารมณเดียวเนี่ยพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาสับสับเปลี่ยนอยู่นี่ฝึกอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่ มันค่อยขยับไปของมันข้อสำคัญอย่าผิดอย่าผิดข้อปฏิบัติอย่านึกอย่าคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยไม่อยู่ในกฎในระเบียบของการภาวนาคิดนึกเรื่อยเปื่อยจนเป็นบ้าเป็นประส า, ามันมีว่าระแวงวิตกกังวลไปหมด เวลามันเป็นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จะไปว่าอะไรอะ่ะไม่รู้จะไปจับอะไรอะ่ะมันไม่เป็นตัวของตัวแล้วกว่าจะดึงมันคืนกลับมาได้เพราะอะไรเพราะเราปล่อยมันจนลืมตัวจนถลํำตัวเสียไปแล้วเสียหายไปแล้วดึงหัว ย, ยากดึงแต่นำมาทำมาเลยยังยากนะบางคนไม่เป็นประสาทไม่เป็นอะไรนะ ไม่แค่สำคัญมั่นหมายอยิป ร, ราชที่ที่เราียกพิปราชนึกผิดคิดผิดมันก็ยึดผิดผิดนั่นแหละสำคัญผิดผิดอยู่นั่นแหละแค่นี้ก็แก้ยากมากๆบางทีแก้ไม่ได้เลยตลอดทั้งชีวิตแล้วก็บางคนก็มีเกี่ยวข้องกับประสาทมันสมองประสาทอีกต่างหาก อันนี้ก็ต้องได้เกี่ยวข้องกับผิวกับยาด้วยต้องพิจารณาทางนั้นสมถะวิปัสสนากำกับไปด้วยฝึกปล่อยให้หมดอย่าไปกำหนดสิ่งที่เป็นรูปภาพอย่าไปดูอาการที่เป็นรูป ถ้าหากมันเกิดการหลอนอย่าดูรูปเด็ดขาดให้ดูลมพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกดูลมดูอาการของลมเข้าอาการของลมออกอย่าไปกำหนดดูภาพดูภาพเดี๋ยวมันหลอนอันนุ้นจอเข้ามาสักหนึ่งพลิกเปลี่ยนไปแล้วอันหนึ่งจอมาอีกพลิกเปลี่ยนอันหนึ่งจอมาอีกพลิกเปลี่ยนไปอันึงจอมาอีก สังขารมันก็ปรุงไปตามเรื่องของมันเราจะว่าอะไรทําสังขารข้างในจิตของเราเนี่ยมันทําจริงสังขารประกอบกับมันสมองมันสมองมันมันไม่สมประกอบกันแล้วนี่ยมันก็ร้อนไปเรื่อยแหละถูกหลอกทั้งทั้งที่นั่งอยู่เดินอยู่เนี่ยะมันหลอกมันร้อนอย่างนั้นจิตเวดจะมีเหรอจิตเวดเขาสำหับดูแลพวกนี้ยเกี่ยวกับประสาท มันหลอนต้องอาศัยยาช่วยถ้าใครเป็นยากาหนดดูรูปให้ดูอาการดูลมให้ดูลมลมเข้าลมออกทำความสงบกับพิจารณาลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทำควา ม, มสงบอยู่สงบอยู่กับสติ จ่ออยู่กับผู้รู้อยู่อยู่สงบอยู่กับสติจ่ออยู่กับอาการของลมน่ะลมเข้าไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันขาดช่วงเข้าออกเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้ก็คว่าเราจับไม่ปล่อยเลยจับมืดจับครั้งเดียวก็ไม่ปล่อยมันเข้าไปมันออกมามือเราไม่ปล่อยเข้าไปออกมา เข้าไปรงมาเข้ายาวเข้าสั้นมือเราไม่ปล่อยเนี่ยจับไม่ปล่อยอารมณ์ใดก็ตามเรามาจับไม่ปล่อยสงบคิ้งนึงเดี๋ยวนี้แหละพุทโธลองจับดูที่จับไม่ปล่อยดูที่เอาผู้ราาู้หน่อยจับพุทโธไม่ปล่อ ย, ย ท, ท, อทั้ททททงความรู้สึก พื้นตลอดตอ่อยังคนเคยคนเคยคนเคยเจออยู่แล้วคนเคยได้อยู่แล้วคนเคยดิ่งอยู่แล้วจับตัวเดีย๋ยมก็อยู่แล้วยืดดิ่งยืดแล้วก็หันจับมันตรงนี้แหละความสงบอย่าไปหันนึกคิดว่าจะเห็นนู่นเห็นนี้เห็นอะไร ไม่มีนิสัยมันไม่เห็นดอกไม่อยากเห็นเดี๋ยวสัญญามันหลอกรูปสังขารมันปรุงแต่งหลอกอย่นัะถ้าใครมักโดนหลอกให้ดูลมพิจารณาลงพิจารณาลงหรืออยู่กับความรู้สึกคำรู้สึกว่าคำว่าพุโทพธโทธุทุดูมันทำงานไงอย่าให้มีภาพออก แล้วมันศูนย์หายไปหมดให้มันมีภาพมันว่างเปล่าไปหมดไม่ให้มันมีภาพเราให้มีภาพเดี๋ยวมันก็หลอนอีกมันเป็นมากๆากนะสัญเวทนาสัญญามก็หลอกนะมันเป็นมากๆมันก็ไปจากเวทนาสัญญาสังขารอะไรมันเป็นมันหลอกมันร้อนไปถึงนู่นนะเกี่ยวข้องไปถึงรูป ถ้าเป็นขันรูปรขันอารูุปรธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอันนี้มันรุนแรงมันก็พาอันนี้แหละมันพาปรุงหลอกพาปรุงหลอกบางทีเราก็ทิ้งทิ้งรูปเราก็มาดูดูผู้รู้ที่ปรุงยับยับยับยับกําหนดดูเอาทำเอา จนมันโร่เนี่ยโร่มันเมื่ออะไรทึบๆอยู่ในหัวสมองหายไปมึศอ๋อาวาันนี้แหละวันนี้